จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากราุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเอกันยายนพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันที่ท่านจำลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างบารมีเพราะความศรัทธา ความเชื่อว่าบุญบา ร, รมีนี่แหละที่เป็นเหตุให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญมีความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการที่พวกเรามาเกิดแล้วเรามีความสุขความเจริญต่างกันบางคนก็สุขมากบางคนก็เจริญมากบางคนก็สุขน้อย บางคนก็จะเลินน้อยนี่ก็เป็นเพราะบุญทิบรารมีที่เราทํากันมาในอดีตชาติมีรำ ม, มาไม่เท่ากันจึงทําให้พวกเราเมาเกิดสูงสูงต่ำต่ำดีชั่วไม่เท่ากันสุขทุกข์ไม่เท่ากันรวยจนไม่เท่ากันเจลาหรือโง่ไม่เท่ากัน เพราะในอดีตเราได้สะสมมาไม่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราในอนาคตดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็ควรที่จะมาสร้างบุญสร้างบารามีกันเพราะบุญบารมีนี่แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ เกิดเป็นเจ้าชายสิทธทะได้ออกบวชได้ตัดสรุเป็นพระอารหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งบวงได้หลุดพ้นจากวัตะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. พวกเราตอนนี้ยังติดอยู่ในวัตะสงสารติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ตายไปเราก็จะต้องไปเกิดใหม่จะเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีไม่ดีเกิดรวยหรือจนเกิดสวยไม่สวยอยู่ที่บุญบรารมีที่เราสามารถสร้างกันได้ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสร้างบุญบรารมีมากเราก็จะได้รับผลมากคือสุขมากเจริญมากและอาจจะทําให้เรา หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยภายในชาตินี้ถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบุญบา ร, รมีเพียงอย่างเดียวจะไม่เสียเวลากับการไปสร้างลาบยศสรรเสริญไปสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นครูบาาจารย์ที่เรากราบไหว้บูชาท่านทุ่มเทชีวิตของท่าน ทั้งร้อยเปอร์เซนต์ให้แก่การสร้างบุญบา ร, รมีจึงทำให้ท่านสามารถบรรลุเป็นพาาาระอรหันตสาวกได้ภายในชาตินี้ได้หลุดพ้นจากวัฏฏสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาสะสมบุญบา ร, รมีต่างๆเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องสะสมมา พระพุทธเจ้านีได้สงสะสมบุญบรารมีมาเป็นกับเป็นกันจึงทำให้ท่านเีบรารมีที่จะทำให้ท่านตัดสรตเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยตนเอง mm hmm. พวกเรานี่โชคดีเราไม่ต้องสะสมบุญมากเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้สงกับทามาเพราะตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้า เป็นผู้บอกให้เราสะสมบุญที่เราควรจะสะสมกันสมัยที่พระพุทธเจ้าบังเพญท่านไม่รู้ว่าต้องสะสมบุญบรารมีอะไรมากบ้างมากน้อยอย่างไรท่านก็เลยสะสมไปทุกอย่างมีอะไรที่คิดว่าดีก็ทำไปจึงทำให้ท่านต้องเสียเวลาไม่เหมือนกับพวกเรา พวกเราตอนนี้มีสูตรตายตัวแล้วมีบา ร, รมีสิบที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไปหลุดพ้นไปบรรลุ เป็นพระอาหารหันต์อยู่ที่พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าพวกเรายังไม่ได้สร้างบารมีทั้งสิบประการ น, นี้ขึ้นมาเราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจะไม่สามารถเกิดในภพที่ดีต่างๆได้เพราะ บุญบรารมีนี่ก็เป็นเหมือนน้ํามันรถยนต์ถ้าเราต้องการขับรถยนต์ไปตามสถานที่ต่างๆเราต้องมีน้ํามันถ้าไม่มีน้ํามันรถยนต์ก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ไม่สามารถพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆที่เราต้องการไปกันได้แต่ถ้าเราเติมน้ํามันเต็มถัง เราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ฉันใดถ้าเราอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาหลังจากที่เราตายไปแล้วเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระอริยเจ้าเกิดเป็นพระอาหารหันตสาวกไปพระนิพพานเราก็ต้องมาสร้างบารมีที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันบารมีข้อที่หนึ่งที่ทรงสอนให้เรา สร้างกันก็คือเมตตาบารมีที่เราสวดมนต์แล้วเราสวดสเปสตาอเวราหงตุตอนนั้นเป็นการสอนเป็นการศึกษายังไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาก่อนที่เราจะแผ่เมตตาเราต้องรู้ก่อนว่าวิธีแผ่เมตตาทําอย่างไรเช่นนสอนว่าอเวราหงตุเกิม ห้ามจองเวรจองกรรมกันใครเขาทำอะไรให้เราเดือดร้อนเสียหายอย่าไปจองเวรจองกรรมให้คิดว่าเป็นเรื่องปกติเกิดมาในโลกนี้แล้ว mm hmm. ก็ย่อมต้องมีการใช้เวรใช้กรรมชาติก่อนเราคงไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครเขาไว้ชาตินี้เราก็เลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมแต่เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมอันใหม่ เพราะเราไม่ต้องการที่จะไปรับผลของการสร้างเวรสร้างกรรมเหมือน <c oughs> กับที่เรากำลังรับกันอยู่ตอนนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองเวรเราจะให้อภัยเราจะต้องการยุติเวรกรรมต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวณย่อมนงงับด้วยการไม่จองเวนถ้าเราไม่จองเวณจองกรรมไม่สร้างกรรมกับใครต่อไปก็จะไม่มีใครมาสร้างกรรมสร้างเวณกับเรานี่คือเมตตาสุขีแล้วก็สอนให้เราอบายปชาโหตุแปลว่าอย่าเบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันให้รักกันให้ความสุขต่อกัน อย่าเบียดเบียนกันอย่าให้ความทุกข์ต่อกันอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาทำบุญเอากับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่เบียดเบียนกันอันนี้เรียกว่าให้ความสุขแก่กันเอาข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพราะพระภิกษุไม่มีอาชีพทรมาหากิน จึงต้องอาศัยความเมตตาของญาติโยมนี่นี่คือการแผ่เมตตาตอนที่เราสวดนั้นยังไม่ได้แผ่ตอนนั้นเรากําลังสอนตัวเราเองเตือนตัวเราเองว่าเราต้องแผ่เวลาเราจะแผ่ต้องมาแผ่ตอนที่เราเจอเหตุการณ์เช่นไปเจอใครเขาด่าเราเราก็สัตเพสัตตาอเวราโหณตุไปเราจะไม่จองเวรจองกรรม เราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเราจะปล่อยให้เธอด่าไปตามความที่เธอต้องการเพราะเราคิดว่าชาติก่อนเราคงด่าเธอมามากชาตินี้เธอเลยอยากจะขอด่าก็ให้เขาด่าไปการแผ่เมตตานี้แทนที่จะทำให้เราทุกข์กับทำให้เราสุขเพราะใจเราจะเย็นจะสบายถ้าเราไม่แผ่เราเกิดความโกรธเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมา ใจของเราจะร้อนเป็นไฟขึ้นมาจะตกนรกทั้งเป็ น, นการแผ่เมตตานี้จะทำให้เราไม่ต้องไปตกนรกตายไปก็ไปสวรรค์อันนี้สงของการแผ่เมตตาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนที่แผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นจะไม่มีใครเกลียดไม่มีใครชัง จะมีแต่คนรักคนชอบทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีมนุษย์ปกคุ้มครองจะมีเทวดาคุ้มครองเวลาที่เราไปตกทุกข์ได้ยากเราจะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่คือเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็จะมีความสุขเวลาที่ตื่นหรือเวลาที่หลับจะสุขทั้งหลับและสุขทั้งตื่น เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ความสุขอย่างนั้นได้ความสุขอย่างนี้แล้วก็จะไม่ตายโดยอาวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะไม่มีใครเกียดชังเราไม่มีใครอาฆาตพยาบาทเราก็จะไม่มีใครจะมายิงเราแทงเราด้วยอาวุธ หรือใส่ยาพิษในอาหารให้เรารับประทานแล้วก็เวลาตายไปก็จะไปสู่สุขติไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนไปสู่สุขติไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าตามกำลังของเมตตาที่เราได้สร้างไว้อันนี้คือเมตตาบารมีขอให้เราหมั่นทํากันอยู่เรื่อยๆ ที่เราต้องสวดก็เพื่อคอยเตือนใจสอนใจเพราะถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวเราลืมเราต้องท่องอยู่เรื่อยๆว่าสัพเพสัตต า, เ, าเวลาโนตุไม่จองเวรกันนะาบายาปชาหงตุไม่เบียดเบียนกันนะอนิคาโหตุปิยาขอให้ทุกคนไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจกันให้มีแต่ความสุขกายสุขใจกันให้คิดอย่างนี้แล้วเวลา เกิดเหตุการณ์ที่จะทาให้เราโกรธทาให้เราอยากจะทาร้ายผู้อื่นเราจะได้มีความเมตตามายับยั้งไว้เมื่อเราไม่ไปทำร้ายเขาเขาก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานี่คือข้อที่หนึ่งให้เรามีความเมตตาต่อสรรพสัทวาทั้งหลายข้อที่สองให้เราทําทานให้เราแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินที่เราจะใช้ได้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาอไปไม่ไดเ้เอาเงินทองเหน่านี้มาสร้างฐานบารมีการสร้างฐานบารมีเหมือนกับเอาเงินทองไปเก็บไว้ในธนาคารนี่เองชาติหน้ากลับมาเราจะได้เบิกได้กลับมาชาติหน้าเงินที่เราทำบุญทาทานนี้จะเป็นของเราและจะมากกว่าที่เราทำเพราะจะมีดอกเบี้ยให้ด้วย ทำร้อยบาทก็กลับมาก็จะได้พันบาทแต่ไม่ได้ในชาตินี้นะชาตินี้ทำแล้วจะจนลงไปเรื่อยๆเงินทองจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนี้นอย่าไปหวังรวยในชาตินี้ถ้าหวังรวยจากการทําทานแล้วจะเสียใจแล้วจะไปคิดว่าทําบุญแล้วไม่ได้บุญเพราะความเข้าใจผิดเหมือนกับเอาเงินทนาคารไปฝากธนาคารวันเดียวก็จะขอคืนแล้วจะขอ คืนสิบเท่าของเงินต้นนี้มันเป็นไปไม่ได้เราต้องแช่เงินไว้ในธนาคารก่อนแล้วพอ1ิบปี20ปีมาเบิกอ่แล้วมันก็จะได้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าของเงินที่เราฝากไว้แต่ชาตินี้เราต้องจนแต่จนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราพอมีพอกินเราไม่เดือดร้อนก็พอแล้วเรารอชาติหน้ากลับมาร่ำรวยไม่ต้องมาดิ้นนนหาเงินหาทองเหมือนชาตินี้ ชาตินี้คิดว่าเป็นการลงทุนชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญมาชาตินี้เลยไม่มีเงินทองรอเราอยู่เราก็เลยต้องมาหาเงินหาทองกันถ้าเราไม่ลงทุนไม่เอาเงินไปฝากในธนาคารบุญเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาก็จะจนเหมือนชาตินี้นี่คือทานบารมีแล้วข้อต่อมาก็ให้ถือศีลบารมีรักษาศีลห้าให้ได้ เพราะการรักษาศีลห้าได้จะปิดประตูอบายเราจะไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนถ้าเรารักษาศีลห้าได้ศีลห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาถ้าเราละเว้นการกระทำบาปทั้งห้าข้อนี้ได้ตายไปจะไม่ไปเกิดในอบาย ตายไปจะไปสวรรค์นี่คือบารมีข้อที่สข้อที่4ก็คือเนคขมมะบารมีถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราต้องจเจริญเนคขมมะบารมีคือยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายยุติการเที่ยวการเล่นการดูหนังฟังเพลง ยุติการมีแฟนร่วมดับนอนกับแฟนคือให้ถือศีลแปดนี่เองผู้ที่จะเจริญเนกขัมมะบา ร, รมีต้องถือศีลแปดอย่างผู้ที่มานุ่งขาวห่วมขาวอยู่ที่วัดกำลังเจริญเนกขัมมะบา ร, รมีกำลังเปลี่ยนการหาความสุขจากการเป็นเทวดาให้มาหาความสุขจากการเป็นพรหมเพราะความสุขของพรหมนี่ดีกว่ายาวกว่า ความสุขของเทพนานกว่าความสุขของเทพมีความสุขมากกว่านีต้องใช้เนคขมมะบารมีวันพระถือศีลแปวันธรรมดาก็ถือศีลห้าไปก่อนต่อไปถ้าถือศีลแปดได้ทุกวันพระก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันไปเพราะผลที่จะได้รับนี้มีความสุขมากกว่ามีความเจริญมากกว่า ก็ต่อมาก็คือให้เจริญอเบคาบารมนีโอเบคาก็คือใจที่เป็นกลางใจที่ไม่มีความรักความชังไม่มีความกลัวความหลงเป็นใจที่มีความสุขมากจะมีความสุขได้ต้องเจริญออเบคาบาราีออเบคานี้เกิดจากการฝึกใจทำใจให้สงบควบคุมใจด้วยสติไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้หยุดความคิดเช่นให้คิดอยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับคำพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรามานั่งเพราะถ้ามานั่งทำพุโทโธมันจะไม่มีกำลังนั่งแล้วมันจะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่งแล้วก็ไม่สงบไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ความสุขไม่ได้การปล่อยวางอุเบกขานี่คือการปล่อยวาง ถ้าเราปล่อยวางได้เราจะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆตอนนี้ที่เราทุกข์เพราะเราปล่อยวางไม่ได้เรายังหวงยังยึดยังติดกับของที่เรารักอยู่พอของที่เรารักจะจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเราปล่อยวางได้เรายอมให้เขาไปเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสบายดังนั้นเรามาหัดจเจริญสติกัน เอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ต้องดูลมเอาแต่พุโทโธอย่างเดียวท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ว่ากำลังจะทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้ท่องพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าจะคิดก็ให้คิดแต่เรื่องที่จำเป็นเรื่องที่ต้องคิดเช่นเวลาทำงานต้องคิดเรื่องงานตอนนั้นก็หยุดพุโทโธไปก่อนแล้วให้มีสติอยู่กับการคิดในเรื่องการทำงานพอเสร็จจากงานจะไปคิดเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องเล่นก็หยุดคิดให้กลับมาหาพุโทโธพุธโทโธต่อถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่คิดมากแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบ จะได้อุเบกขาได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปหลับนอนกับใครไทยได้ความสุขแบบนี้แล้วจะสบายจะปล่อยวางทุกอย่างได้ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขถ้ายังไม่มีอุเบกขาก็ยังต้องมีแฟนต้องมีเงินมีทองต้องมีข้าวมีของ มีอะไรต่างๆมากมายกายกองเพื่อมาให้ความสุขแต่ได้มาแล้วแทนที่จะสุขกับจะต้องทุกข์เพราะว่าของที่ได้มาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหายไปจากไป <c oughs> ดังนั้นคนฉลาดยังไม่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบหาความสุขจากการมีอุเบกขาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ แม้แต่ร่างกายก็ปล่อยได้ต่อไปร่างกายนี้เราก็ต้องปล่อยถ้าปล่อยไม่เป็นก็จะทุกข์ถ้าปล่อยเป็นก็จะไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายนี้ที่ทุกข์กันก็เพราะว่าไม่ยอมปล่อยยังยึดยังติดยังหวงยังรักยังอยากให้อยู่ต่อไปความอยากที่ยจะอยู่ต่อไปนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจขึ้นมา แต่ถ้ามีอุเบกขาถึงเวลาจะปล่อยก็ปล่อยได้อย่างง่ายดายนี่คืออุเบกขาบาลมีแล้วต่อมาก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือความรู้ความฉลาดที่จะสอนใจให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขปลอมคืออะไรอย่างที่ญาติโยมกําลังฟังเทศน์ฟังธรรมตอนนี้เรียกว่ากําลังเจริญปัญญาบารมี จะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การมีอุเบกขานี่เองอยู่ที่การปล่อยวางอยู่ที่การไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่เรายึดแลยวติดนี้มันเป็นทุกข์มันทำให้เราทุกข์เวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ว่าแต่ข้าวของเงินทองบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ แม้แต่ร่างกายของเราเราก็ต้องจากไปแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ยึดไม่ติดแล้วถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการจากสิ่งต่างๆไปและเราจะไม่กลับมาหาสิ่งต่างๆอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการราบยศสรรเสริญ ไม่ต้องควานความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลาย <c oughs> นี่คือบารมีต่างๆที่จะทำให้พวกเราได้สร้างสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้น ในการที่จะสร้างบรารมีเหล่านี้ได้เราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้เราสร้างบรารมีเหล่านั้นได้ก็คือหนึ่งเราต้องมีอธิฐานบรารมีอธิฐานนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ใช่แปลว่าขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้มันมีสองความหมายความหมายทางบรารมีสิบนี้ท่านหมายถึงให้เราตั้งอกตั้งใจ เช่นต่อไปนี้เราจะตั้งอกตั้งใจจะสร้างบารมีต่างๆสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีเรียกว่าอธิษฐานถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้ทำเหมือนวันนี้ญาติโยมถ้าไม่ได้ตั้งใจมาวัดก็จะไม่ได้มาวัดพอตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็นอนต่อหรือเพื่อนโทรศัพท์มาชวนไปเที่ยวหรือไปทำอะไรก็จะไปตามที่เขาชวนไป ก็เลยจะไม่ได้มาวัดมาสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีดังนั้นการที่เราจะสร้างบารมีต่างๆได้เราต้องมีอธิษฐานก่อนเราต้องจ้างจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะอุทิศชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้ให้กับการสร้างบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีลบารมีพอเราตั้งเป้าแล้วเราก็จะได้มีจุดหมายรู้แล้วว่าเราจะต้องทาอะไร พอเรารู้แล้วว่าเราจะท้างทำอะไรเราก็ต้องมีสัจจะสัจจะก็คือความจริงใจต่อความตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาจะทำก็ไม่ทำพอถึงเวลาจะมาวัดเพื่อนชวนไปเที่ยวก็เปลี่ยนใจไม่มาวัดอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะบาลีถ้ามีสัจจะความจริงใจพอตั้งใจแล้วจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ ใครจะมาชวนมาทมาชวนให้ไปทำอะไรอย่างอื่นก็ไม่ไปต้องปฏิเสธไปเพราะเราได้สัญญากับตัวเราแล้วว่าวันนี้เราจะมาวัดเป็นต้นต้องมีสัจจะนอกจากมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะความอุตสาหะความพยายามเมื่อตั้งใจแล้วมีสัจจะแล้วก็ต้องออกเดินทางมาวัดถ้าขี้เกียจก็ไม่มาเปลี่ยนใจนอนดีกว่า อย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิริยะแต่ถ้ามีวิริยะมีความอุตสาหะความพยายามก็จะรีบลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมข้าวเตรียมของออกเดินทางมาการจะทำอะไรให้สำเร็จได้ท่านก็บอกแล้วว่าอยู่ที่วิริยะค ว, ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นการจะสร้างบารมีต่างๆให้สำเร็จได้ต้องมีวิริยะบารมีต้องมีความขยันหมั่นเพียร อย่าเกียจคร้านพยายามตัดความเกียจคร้านไปหัดทาอะไรอยู่เรื่อยๆอย่าอยู่เฉยๆแล้วข้อสุดท้ายที่เราต้องมีในการสร้างบา ร, รมีต่างๆก็คือขันติบา ร, รมีเพราะการสร้างบา ร, รมีต่างๆนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายมันเป็นของยากจะทำทานทำบุญแต่ละครั้งนี้ต้องต่อสู้กับกิเลสคือความหวงเงินหวงทอง อยากจะเอาเงินไปเที่ยวอยากจะเอาเงินไปกินไปดื่มพอจะเอาเงินมาทําบุญนี้กิเลสมันบอกว่าอย่าเอาไปเลยเสียดายอันนี้ถ้าไม่มีขันติไม่มีความอดทนจะสู้กิเลสไม่ได้จะไม่อยากทําขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําหรือจะทําทก็ทําอย่างขอไปทีทําพอหอมปากหอมคอทําไม่ได้ทําแบบทุ่มเทผลก็จะไม่ได้เกิดมาก ดังนั้นเราต้องมีขันติความอดทนยากลำบากอย่างไรเราก็ต้องทำเช่นถ้าเราเดินทางมาเกิดฝนตกหรือน้าท่วมเราก็ต้องหาวิธีอื่นมาให้ได้รถเสียก็ต้องหารถอื่นมาให้ได้อย่างนี้ถึงเรียกว่ามีความอดทนนี่คือบารมีทั้งสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันถ้าเราสร้างได้แล้วรับรองได้ว่า ชีวิตของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆและไปดีถึงขั้นสูงสุดได้ภายในชาตินี้เลยถ้าเราทําแบบครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพกราบไหว้นับถือท่านไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งชีวิตท่านทําแต่บารมีทั้งสิบนี้นั่นเท่านั้นจึงทําให้ท่านได้ไปถึงพระนิพพานได้ไปเป็นพระอรหันตาสาวกภายในชาตินี้เลย พวกเราก็ทำได้เป็นได้ถ้าเรามีบา ร, รมีทั้งสิบถ้าเราสร้างบา ร, รมีทั้งสิบกันเพราะพวกเรากับครูบาอาจารย์เมื่อก่อนนี้ท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาเหมือนเราแต่พอได้มาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าการสร้างบา ร, รมีทั้งสิบสร้างอย่างไรท่านก็เลยเกิดศรัทธาความเชื่อ แล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบารมีทั้งสิบนี้กอได้สร้างแล้วก็ได้บรรลุได้เป็นพระอรหลานตสาวกได้ไปถึงพระนิพพานได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่พวกเรามาทํากันในวันนี้เรามาเสริมสร้างบุญบารมีกันทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยถ้าอยากจะได้มากก็ต้องทํามาก ถ้าไม่อยากได้มากก็ทำน้อยทำน้อยก็ยังต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปต้องร้องห h o ร้องไห้ต้องทุกข์ต้องเศร้าโศกเสียใจต่อไปถ้าทำมากก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภาษีรัตน า, ายัย